ทุกเช้าเวลาตมาไปบินตบาดในหมู่บ้านเราสังเกตว่าชาวบ้านที่ใส่บาดเป็นประจำเนี่ยเลวาแทวทั้งหมดเลยเป็นคนแก่และแกะ่ก็ไม่พอนะป่วยด้วยหรือมิฉะนั้นก็พิ ก, การส่วนคนหนุ่มคนสาว หรือไม่แต่คนใบกลางคนที่ใส่ประจำนี่มีน้อยมากอันนี้ก็น่าคิดนะทำไมคนหนุ่มคนสาวหรือว่าคนที่ยังไม่แก่หรือว่ายังไม่ป่วยไม่พิการจึงไม่ค่อยสนใจเรื่องการใส่บาตรอาจเป็นเพราะว่า มีงานมีการมีความรับผิดชอบที่ต้องทำแต่ก็คงมีเหตุผลมากกว่า น, นั้นอเป็นเพราะว่ายังไม่ได้มีความทุกข์มากก็เลยไม่ค่อยนึกถึงเรื่องการทำบุญเท่าไหร่ในความที่ยังหนุ่มยังสาวยังมีสุขภาพดีก็คิดถึงสิ่งอื่นมากกว่า เงิทองการงานความสนุกสนานความเพลิดเพลินก็สนใจเรื่องบุญบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้จริงจังเท่าไหร่อาจจะทําบุญในโอกาสสําคัญวันเกิดหรือว่าทอดผ้าป่าทอดกระถินแต่ก็ไม่ได้นึกถึงบุญหรือการทําบุญอย่างจริงจังเท่าไหร่ ส่วนคนแก่ซึ่งเจ็บป่วยหรือพิการเนี่ย น, นึกถึงบุญมากเนี่ยนนึที่ว่าต้องนะทําบุญใส่บาตรเป็นประจําไม่ใช่เพราะเขามีเวลาเท่านั้นนะแต่เพราะว่าคงเพราะมีความทุกข์ทุกเพราะความแก่ทุกเพราะความเจ็บป่วยทุกเพราะความพิการก็แล้วแต่ แล้วก็รู้ว่าในทุกแบบนี้นี่เงินทองมันช่วยไม่ได้หรือว่าความสุขสนานมันก็ไม่ใช่เป็นคำตอบอาจจะเป็นเพราะมีความทุกข์ใจด้วยก็เลยหวังพึ่งบุญด้วยการใส่บาตรจริงๆคนเราเนี่ยนะ ไม่ว่าป่วยหรือไม่ไม่ว่าแก่หรือไม่ไม่ว่าพิการหรือไม่้าควรจะนึกถึงบุญอยู่เสมอนะไม่ใช่วานึกเอาตอนเวลาป่วยหรือเวลาเจอทุกเวลาเจอเคราะห์เสร็จแล้วก็เร่งสะสมบุญเร่งทาบุญเพราะคิดว่าอํานาจบุญอนิสงค์ของบุญจะช่วยทำให้ให้ใหความทุกข์หรือเคราะห์มัน บรเทาเบาบางไปและก็ไม่ใช่เฉพาะบุญนะธรรมะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราควรจะนึกถึงอยู่เสมอไม่ใช่เฉพาะในยามทุกข์เท่านั้นอบุญน่มันก็เป็นทีเรียกว่าอนิสงส์ที่เกิดจากธรรมได้นะเช่นการทำความดีการให้ทานก็เกิดเป็นบุญขึ้นมา แต่ก็ว่าธรรมะในที่นี้เนี่ยมันมีความหมายกว้างกว่านั้นไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การทำความดีรักษาศีลอันนั้นเลยว่าจริยธรรมมันยังมีธรรมะในความหมายที่กว้างออกไปคือสัจธรรมความจริงของชีวิตที่พึงระลึกนึกถึงแม้กระทั่งเวลาพูดถึงความดีหรือจริยธรรมเนี่ย ก็อย่าไปนึกแต่เพียงแค่การรักษาศีลอันนั้นเป็นการทำความดีด้วยกายด้วยวาจาแต่มันมีการทำความดีที่ใจด้วยนะเช่นการมีสติมีสมาธิมีความรู้สึกตัวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันที่เราควรจะเราลึกนึกถึงไม่ว่าในยามสุขหรือในยามทุกข์ แต่แม้ในยามทุกเนี่ยนะนึกถึงก็ยังดีนะแต่ส่วนใหญ่เวลาทุก์เนี่ยอย่างมากก็จะนึกถึงเฉพาะเรื่องบุญนะอยากจะให้บุญมันช่วยขจัดปัดเป่าความทุกไปแต่ไม่ค่อยได้นึกถึงธรรมเท่าไหร่เช่นเวลามีความทุกเนี่ยเช่นความเจ็บความป่วยเนี่ยก็นึกแต่เรื่องการทําบุญเพื่อหวังจะให้ความเจ็บความป่วยมันหายไปส่วนธรรมะ หรือเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยการฝึกจิตฝึกใจเราไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญเท่าไหร่แต่ก็ยังดีนะเวลามีความทุกข์แล้วเนี่ยยังดีกว่าหันไปหาสิ่งอื่นหันไปหาเหล้าครับไปหายาเสพติดหันไปหาความบันเทิงที่มันช่วยกลบเกลื่อนความทุกข์ได้เพียงแค่ชั่วขณะคนยุคนี่นนไม่น้อยเวลามีความทุกข์ก็ ออกไปในแนวนั้นเสียเยอะเข้าหาเรล้าเข้าหายาเสพติดเข้าหาใบายามุกหรือไม่ก็เที่ยวหรือว่าช้อปปิ้งเพื่อมันจะได้ลืมความทุกข์ไปชั่วคราวหรือกลบเกลื่อนความทุกข์ไปชั่วขณะดีหน่อยก็คือว่าพยายามที่จะแก้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเช่นเจ็บป่วยก็เยียวยารักษาความเจ็บป่วย หรือว่าค้าขายมีอุปรสรรคการงานเช่นธุรกิจมีปัญหาก็ไปพยายามไปแก้กันตรงนั้นไปแก้ที่ธุรกิจไปแก้ที่การงานหรือบางทีมีปัญหาจากเพื่อนบ้านส่งเสียงดังทิ้งขยะมาวางไว้หน้าบ้านเราก่อความรำคาญก่ อ, อชอบรบกวนะ อันนี้ก็เป็นความทุกข์ของผู้คนแต่เวลาเจอความทุกข์แบบนี้คนส่วนใหญ่ก็คิดแต่จะไปแก้ไปจัดการคนอื่นไปจัดการกับสิ่งนอกตัวหรืออย่างมากก็ไปจัดการกับร่างกายที่มันกำลังเจ็บป่วยอันนี้ก็ดีอยู่นะแต่ว่าจะต้องนึกถึงเรื่องของการดูแลรักษาใจด้วย เพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลรักษาใจมันก็จะกลายเป็นการซ้ำเติมเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองเช่นป่วยกายแค่ น, นี้ก็หนักแล้วแถมยังป่วยใจอีกอันนี้เพราะไม่รักษาใจไม่ดูแลใจของตัวหรือว่างานการมอุประสบงานมีปัญหา แต่ยังปล่อยใจให้เครียดปล่อยใจให้กังวลก็เลือกเป็นการซ้ําเติมเวลาธุรกิจมีปัญหาก็ากไปคิดจัดการภายนอกตนกทั่งลืมจัดการที่ใจของตัวเพราะบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าพอเราพอเรามีปัญหาแล้วเราปล่อยใจให้มันเกิดทุกข์แล้วก็ซ้ําเติมความทุกข์ให้กับตัวเองเท่านั้นนะ ถ้าเราสาวเข้าไปดูจริงๆก็จะพบว่าเหตุแห่งทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่นอกตัวมันไม่ที่การงานมีปัญหามันไม่อที่เพื่อนบ้านมันไม่ที่ความเจ็บความป่วยแต่จริงๆเป็นเพราะว่าเราวางใจไม่ถูกเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นในบางสิ่งบางอย่างอย่างปัญหาเนี่ยแม้จะมี แต่ไม่ทุกก็ได้นะถ้าใจไม่ไปแบกมันเพียงเพื่อนบ้านจะก่อปัญหายังไงแต่ถ้าเราวางใจถูกใจก็ไม่ทุกนะส่งเสียงดังแต่ว่าใจไม่ทุกเนี่ยมันทาได้ทำได้ยังไงนะก็พูดสั้นๆง่ายๆก็คือเอาธรรมะนี่แหละมาใช้เอาธรรมะในการรักษาใจซึ่ง มันไม่เพียงแต่จะไม่เพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองแล้วมันยังสามารถจะพาจิตออกจากความทุกข์ได้ด้วยแต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมองไปที่ใจของตัวเวลามีปัญหางานการมนปัญหาสุขภาพามีปัญหาความสัมพันธ์ก็ส่งจิตออกนอกพุ่งแต่มุ่งแต่จะไปแก้ที่คนนั้นคนนี้มุ่งแต่ไปจัดการคนนั้นคนนี้หรือคาดหวังให้เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แต่ไม่ได้มองเลยนะว่าใจเรามีส่วนด้วยหรือเปล่าหรือไม่ได้คิดที่จะไปจัดการที่ใจของตัวให้มันให้รู้จักปล่อยรู้จักวางหรือว่าคิดลบคิดลาให้น้อยลงหรือว่ารู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลามีเสียงดังบรงทบเกิดความหงุดหงิดก็รู้ทันความหงุดหงิดที่เกิดขึ้น ไม่ปล่อยความหงุดหงิดมันมาครองใจเวลามีความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ปล่อยความโกรธมาครองใจ น, นี้มันต้องอาศัยธรรมะในระดับของการฝึกจิตซึ่งคนที่มีความทุกข์จำนวนมากเนี่ยมองข้ามเพาะฉะนั้นาเกิาหันมาสนใจธรรมะ นะเพื่อที่จะมาจัดการที่ใจของตัวหันมาพิจารณาจนเห็นว่าจริงๆแล้วสมุทัยคือเห็นแห่งทุกเนี่ยอยู่ที่ใจของตัวมาปรับที่ใจนะความทุกข์ใจก็หายปัญหาภายนอกยังมีอยู่นะแต่ว่ามันไม่ทำความทุกข์ใจให้อันนี้คือประโยชน์ของธรรมะนที่จะ ที่จช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะพาจิตออกจากความทุกข์ได้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยคนเราจะนึกถึงธรรมะในยามทุกข์ยางเดี๋ยวไม่พอนะที่ถูกเนี่ยควรจะนึกถึงธรรมะแม้กระทั่งในยามสุขแม้กระทั่งในยามประสบโชคด้วยเวลาชีวิตกาลังรุ่งประสบความสาเร็จมีเงินมีทองมี ลาบมียศมีสารเสริญในช่วงเวลาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะคำนึงถึงธรรมะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะเกิดความหลงเพลินในสิ่งเหล่านั้นแล้วพอสิ่งเหล่านั้นมันแปรปรวนนะมันเปลี่ยนแปลงไปรับหายนะยศก็หาย ตอนนี้แหละนะจิตก็จะดำดิ่งสู่ความทุกข์เลยหลายคนเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จโอยลาดยศสารเสริญนี่มามาแบบตั้งตัวไม่ติดก็เกิดความเพลิดเพลินนะในสิ่งที่ได้รับแต่ถึงเวลาที่ตัวเองเนี่ย เริ่มไม่เป็นข่าวเวลาผ่านไปนานๆมีคนอื่นมาดังแทนคนก็ลืมลาบยศสารเสริญก็ค่อยๆจางหายถึงตอนนี้นะโหูเศร้าเลยทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ประสบทุกข์อะไรนะเพียงแต่ว่าไอ้โชคที่เคยมีลาบยศสารเสริญที่เคยพรั่งพร้อมนี่มัน มันจางคายไปตัวเองกลับมากลายเป็นลัทธิดอนเต็มขั้นไม่ใช่เป็นคนเด่นคนดังเหมือนเมื่อก่อนทำใจไม่ได้นะทุกข์โหยหาวันวานหวา น, ว น, ว น, ว น, วนชื่นนะเรียกว่าอันนี้าีว่าจมไม่ลงบางทีก็ถึงกับซึมเศร้าหรือว่าหมองหม่นไปเลยพระเจ้าอย่างท่าน ท่าสอนพระรูปหนึ่งเนี่ยไว้ดีมากเลยนะแล้วก็พระรูปนี้ตอนหลังก็มาเล่าให้พระองค์คุลิมานฟังพระองคุลีมานเพิ่งบวชใหม่ๆก็มาถามพระนันทิยาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านพระนันทิยาก็ก็นำมาถ่ายทอดหลายตอนก็มีตอนหนึ่งเนี่ยพระนันทิยก็บอกพระองค์ุลิมานว่า เมื่อใดก็ตามที่ได้รับคำชื่นชมสรรเสริญหรือมีคนบูชาเราด้วยลาบสักการะให้ถือว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นผลของการทำความดีหรือมิฉะนั้นก็เป็นพ่อข้าสำคัญว่าเราดีว่าเราเก่งแล้วท่านก็พูดต่อไปว่าเนี่ยผลแห่งความดี ย่อมเป็นพี่แก่ผู้ที่ไม่พิจารณาแล้วหลงไหลมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นจนเกิดความประมาทอันนี้เป็นคำเตือนใจที่ดีนะอันนี้เรียกเป็นศัจธรรมที่เตือนใจไม่ใช่เฉพาะพระเรานะแต่ว่ารวมถึงญาติโยมผู้คนด้วยว่าเนี่ยเวลาได้รับคำชื่นชมสรรเสริญมีลือไม้ับสักดิรัอย่าคิดว่าเป็นเพราะเรา แต่ให้มองว่ามันเป็นผลแห่งการทำความดีคือถ้าไม่ทำดีมันก็ไม่ได้นะมันไม่ใช่เพราะว่าเขาชื่นชมว่าเราดีเราเก่งแต่เป็นเพราะเราทำความดีหรือพิะนันก็เพราะเขาสาคัญว่าเราดีคือเขาเห็นว่าเราดีนะแต่เราจะไม่ดีอย่างนั้นก็ได้แต่เขาก็ชื่นชมเราบูชาด้วยรับสักการละอันนี้ก็คือว่าจะเปไปหลงตนนะว่าเนี่ยที่ได้มาเพราะ เพราะเราหรือพราะกูแล้วก็ที่ทสำนั้นคือว่าให้พิจารณานะว่าเนี่ยไอ้ของพวกนี้มันไม่เที่ยงนะมันเป็นมันเป็นพิษมันเป็นพิษทีเดียวนะสำหรับผู้ที่ไม่พิจารณาไม่พิจารณาว่าของพวกนี้เป็นของชั่วคราวมันจะกลายเป็นพิษทันทีเพราะว่าจะทําให้เกิดความลหลงไหล ย, ยึดติดแล้วก็ประมาทถึงเวลาที่มันแปดเปลี่ยนสภาพไป สูญหายไปตามหลักอนิจจังก็จะทุกข์มากดังนั้นในยามที่ชีวิตกำลังรุ่งขาขึ้นประสบความสําเร็จเนี่ยก็ต้องนึกถึงธรรมะเหมือนกันธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจโดยเฉพาะอนิจจังสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ได้มาพ ว, พ, วพวกนี้ลดไม่เที่ยงในขณะในยามรุ่งนะก็ยังต้องนึกถึงธรรมะและในยามปกติ ยิงต้องนึกถึงธรรมะขึ้นไปใหญ่เลยแม้ว่าจะไม่ประสบโชคไม่ได้ ไ, ได้รับคําชื่นชมสรรเสริญแต่ว่ามีความปกติคือยังไม่เจ็บไม่ป่วยมีกําลังวังชาอันนี้ก็ต้องนึกถึงธรรมะเพราะว่าไอ้ความปกติที่เกิดกับเรามีอยู่ก็ล้ตอนนี้เป็นติของชั่วคราวสักวันหนึ่งก็ต้องแปลเปลี่ยนไป พระเจ้าเนี่ยเคยสอนนะพระถึงเรื่องของอนาคตภัยนะภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพูะเจ้าไม่ได้สอนแต่เพียงว่าให้อยู่กับปัจจุบันนะเท่านั้นนะแต่ว่ายังสอนให้เราไม่ประมาทกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยพู้เจ้าก็สอน ประสงค์ว่าเนี่ยในยามที่เธอยังหนุ่มนะยังมีกำลังวังชาเนี่ยให้ระลึกนะว่าสักวันหนึ่งก็จะแก่ไม่มีเรื่องไม่มีแรงถึงตอนนั้นเนี่ยก็จะปฏิบัติทําได้ลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ขณะที่ยังหนุ่มยังมีกำลังวังชาให้เร่งทำความเพียรซะ ประการที่สองเนี่ยในขณะนี้แม้เธอยังมีอาพาธน้อยคือไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ก็ให้ตอนหนักว่าวันหน้าเนี่ยก็จะเจ็บจะป่วยอาจจะถึงขั้นที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมหรือไม่มีธรรมะที่จะมาช่วยเยียวยาจิตใจและกายของตัวได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนนี้แครที่ยังไม่จะไม่ป่วยให้เร่งทำความเพียรซะข้อที่สามเนี่ยในยามนี้เนี่ยแม้ว่าจะยังมีอาหารบริบูรณ์แต่ว่าวันหน้าอาจจะมีข้าวยากหมากแพงเกิดขึ้นอาหารนี้หายากถึงตอนนั้นจะปฏิบัติทรรมลำบากนั้นต้องเร่งทำความเพียรนะตั้งแต่ตอนนี้นะข้อที่สี่เนี่ยในยามนี้บ้านเมือ ง, งปกติสุขนะ ผู้คนสามคัคคีกันไม่มีเรื่องไม่มีศึกสงครามแต่วันหน้าเนี่ยก็อาจจะมีโจรมีผู้ร้ายมีศึกสงครามมีภัยธรรมชาติผู้คนก็จะวุ่นวายเกิดการคุกคีกันถึงตอนนั้นก็จะปฏิบัติธรรมลำบากวันหน้าให้เร่งทำความเพียนเสียแต่ตอนนี้ข้อทีอ่5้าเนี่ย ตอนนี้เนี่ยหมู่สงฆ์เนี่ยยังสามัคคีพร้อมเพรียงกันแต่วันหน้าเนี่ยอาจจะแตกแยกกันนะทะเลาะบบาแวงกันปฏิบัติธรรมก็จะลําบากเพราะฉะนั้นตอ น, นต้องเร่งทําความเพียรซะคืออย่าประมาทกับความปกติสุขที่มีในเวลานี้ทั้งหาประกาเนี่ยนะบางอย่างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราก็ได้นะเช่นอาจจะไม่เจอ สึกสงคลามเลยหรือว่าสงนี่อาจจะไม่ได้แตกแยกกันเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแน่นอนถ้าเราไม่รีบตายสักวามคือว่าเราต้องแก่แล้วเราต้องเจ็บต้องป่วยไอความปกติสุขที่มีกับเราตอนนี้เนี่ยไม่ว่าหนุ่มสาววัยกลางคนหรือว่าการมีสุขภาพดีเป็นของชั่วคราว ข้างหน้าคือความป่วยแล้วก็ต่อไปก็จะป่วยประเภทว่าทุกขพลภาพเลยซึ่งก็ตามด้วยทุกขเวทนาแต่ต่อมาเนี่ยที่เราสุขภาพดีต่อไปก็ต้องเจ็บต้องป่วย ต, ต้องนอนจิเดเตียงด้วยโรคที่รักษาไม่หายถ้าถามตัวเองว่าเนี่ยถ้าถึงตอนนั้นเนี่ย ถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ยรักษาใจเนี่ยหรือเยียวยารักษาจิตใจไม่ให้ทุกเนี่ยเราจะรับมือกับความแก่ชาราและความเจ็บป่วยได้อย่างไรและยิ่งนะตอนนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมของโลกนี่มันก็เลวร้วายไปทุกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาข้าวยากหมากแพงมันจะไม่ใช่เป็นแค่ สิ่งที่คาดเดานะมันก็มีน้โน้นจะเกิดขึ้นได้สูงนะเพราะว่าโลกเนี่ยโลกร้อนตอนนี้กำลังจะกลายเป็นโลกระอุไปละต่อไปอาหารการกินก็จะลำบากแม้กระทั่งที่พักอาศัยก็อาจจะต้องเดือดร้อนเพราะน้ำทะเลท่วมนะต้องอพยพโยกย้ายนะกรุงเทพนี่อีกยปีข้างหน้านี่พื้นที่เนี่ยมีสิทธิที่น้ำท่วม ไม่ใช่พน้ำฝนนะแต่พน้ำทะเล น, นี่ ป, ปักกรุงเทพยังไม่นับที่อื่นอันนี้คือโอกาสที่จะเกิดขึ้นเกิดจะร้อยเอร์ซนในวันข้างหน้าในขาะที่เรามีสุขภาพดีค่ะที่เรายังมีกลาลังวังชาเนี่ยที่เรายังมีชีวิตที่สุขสบายจึงต้องนึกถึงธรรมะเอาไว้แล้วไม่ได้นึกถึงเดียวต้องปฏิ บ, บัติ ด, ด้วยนะ โอกาสยังมีปัจจัยก็พร้อมฝึกปฏิบัตินะให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้มีความรู้สึกตัวเอาไว้เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยเราได้ในยามที่เจอทุกข์ไม่ว่าทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บป่วยอย่าไปคิดว่ามีเงินแล้วมันจะช่วยเราได้อย่าไปคิดว่าเทคโนโลยีมันจะรับช่วยให้เราบรรเทา ความเจ็บความปวดได้ถึงตอนนั้นเนี่ยบางทียาก็เอาไม่อยู่หมอก็เป็นที่พึ่งเป็นสลัาไม่ได้เพราะมันเป็นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือโรคร้ายที่เทคโนโลยีการแพทย์ไม่สามารถรักษาได้ผู้ง่ายคือตายสถานเดียวแล้วทุกวันนี้เนี่ยคนเรามีอายุยืนก็จริงนะแต่ว่าส่วนใหญ่ 90% ซนะ ประมาณ8ถึง10ปีสุดท้ายเนี่ยจะต้องอยู่ในภาวะที่เจ็บป่วยด้วยโรครายนะอันนี้เนี่ยเ ป, เ, ป เ, เป็นเป็นเป็นว่าสถิตินะของคนในยุค ป, ปัจจุบันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในประเทศที่มีเศรษฐกิจดีขึ้ น, นเรื่อยๆอายุเยอะจริงนะ75ห้าปี80ดปีแต่ว่าเกือบส0ปีสุดท้ายเนี่ย คือความเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งโรคหัวใจไตไวายนะเบาหวานในยามนี้เนี่ยธรรมะนี่มันจะช่วยเราได้ให้อยู่ออกับความทุกข์ด้วยใจที่ไม่ทุกข์เรีวยกว่าถ้าเรามีสติมีสติก็ทำให้ไอความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นกับกายแต่ว่ามันช่วยรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ป่วยไปด้วย มันช่วยให้เราสามารถจะรับมือกับทุกขเวทนาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นได้ได้ะจะทำกันได้เนี่ยมันต้องต้องมาฝึกต้องมาสะสมต้องมาสร้างกันตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่เด๋ยนนี้คือตั้งแต่ตอนที่ยังมีสุขภาพดีตอนที่ยังมีกาลังวังชาตอนที่บ้านเมืองยังปกติสุขอยู่จึงบอกว่าเนี่ยเวลามันไม่ใช่แค่ในยามทุกข์นั้นๆที่เราควรจะนึกถึงทำ ในยามสุขนะหรือแม้กระทั่งในยามที่ชีวิตเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นก็ต้องนึกถึงธรรมและจนนึกอย่างเดีวยวไม่พอต้องปฏิบัติอย่าไปเพลินนะกับความสําเร็จหรือความปกติสุขจนกระทั่งลืมตอนนัดถึงความจริงว่าไอสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นของชั่วคราวเท่านั้นแหละงั้นะถ้าเรานึกถึงธรรมะเไว้มันจะทําให้เราเกิดความขนความเกิดความกระตือรือร้น จะทำให้เราเร่งปฏิบัติทรรมทำความเพียรซึ่งมันจะให้ผลที่คุ้มค่ามากวันนี้เรารักษาธรรมนะต่อไปธรรมะก็จะรักษาเราอันนี้คือสัจธรรมความจริงอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม